วิบัตส4ในหัวข้อเหล่านั้นวิบัติ4เป็นฉไนคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัติ 3. ทิฏฐิวิบัติ 4. อาชีววิบัตนี้คือวิบัติ4อย่าง